คำว่าผู้ใดย่อมสำคัญว่าเราเสมอเขาเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาผู้นั้นก็พึงวิวาดด้วยความถือตัวนั้นน่ะมีความว่าผู้ใดย่อมสำคัญว่าเราเป็นผู้เสมอเขาก็ดีเราเป็นผู้ดีกว่าเขาก็ดีเราเป็นผู้เลวกว่าเขาก็ดีผู้นั้นก็พึงทำความทะเลาะทำความหมายมั่นทำความแก่งแย่งทำความวิวาดทำความมุ่งร้ายกันด้วยความถือตัวนั้นบ้างด้วยทิฐินั้นบ้างด้วยบุคคลนั้นบ้าง ก็ถือตัวใช่ไหมมีทิฏฐิแบกหามอยู่นั่นแหละอนะันก็ทะเลาะกันว่าท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี้เรารู้ธรรมวินัยนี้ท่านจักรู้ธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดเราปฏิบัติชอบคําของเรามีประโยชน์คําของท่านไม่มีประโยชน์คําที่ควรกล่าวก่อนท่านก็กล่าวทีหลังคําที่ควรกล่าวทีหลังท่านก็กล่าวก่อนคําที่คล่องแคล่วท่านก็กลับมาขัดข้องไปเรานิ่ใส่โทษท่านแล้วท่านถูกเราปรามแล้วท่านจงเที่ยวไป หรือแก้ไขเพื่อเเลื่ยนวาทะถ้า ท, ท่านสามารถเพราะฉะนั้นชื่อว่าผู้ใด ย, ย่อมสำคัญว่าเราเนี่ยดีกว่าเขาสำคัญว่าเราเนี่ยเลวกว่าเขาเนีย่ยนะหรือเสมอเขาเนี่ยนะก็ทะเลาะวิวาท ด, ด้วยความถือตัวอันนั้นเนี่ยนะก็มานะมากก็ศัตรูมากะนะก็คือใครเยอะยิงมากจองห้องมากดูหมิ่นอะไรคนอื่นไว้มากคนนั้นก็ศัตรูเยอะอยู่แล้ว บุคคลไม่หวั่นไหวในเพราะความถือตัวสามอย่างคือความสําคัญว่าเราเสมอเขาดีกว่าเขาหรือเลวกว่าเขาเนี่ยนะย่อมไม่มีแก่บุคคลนั้นคําว่าความถือตัวสามอย่างนั้นอะ่ะว่าบุคคลใดละได้แล้วตัดขาดสงบระงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยาดยานระดับไหนจริงจะเผามานะได้ก็คืออรหัตตมรักนั่นแหละบุคคลนั้นย่อมไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงในความถือตัวสามอย่าง ความสําคัญว่าเราเป็นผู้เสมอเขาก็ดีเราเป็นผู้ดีกว่าเขาก็ดีเราเป็นผู้เลวกว่าเขาก็ดีย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่หวั่นไหวเนี่ยนะก็คือผู้ที่บรรลุอริยมรรคอย่างนี้แล้วมันสรุปว่าผู้ใดย่อมสําคัญว่าเราเสมอเขาดีกว่าเขาหรือเลวกว่าเขาผู้นั้นก็พึงวิวาดด้วยความถือตัวนะครมีมานะก็ทะเลาะกันเพราะมานะนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่หวั่นไหวเพราะความถือตัวสามอย่างก็คือกําจัด ไอ้มาณด้วยอรหัตมรักแล้วนะก็ไม่มีความสำคัญว่าเราเสมอเข้าดีกว่าเข้าเลวกว่าเขาก็ไม่มีแก่บุคคล น, นั้นนะแล้วผมก็สอนต่อไปว่าบุคคลผู้เป็นพรามนั้นพึงกล่าวสิ่งอะไรว่าจริงเล่าเนาี่ยนะคือผู้ที่เป็นพารหันแบบนี้นะแล้วจะไปยึดถือทิฏฐิอะไรเหนนหรือบุคคลผู้เป็นพรามนั้นพึงโตเถียงสิ่งนั้นเท็ดด้วยความถือตัวอะไรเล่ววาอ่ะนะ ก็พระอรหันต์อย่างนี้ท่านไม่มีมานะแล้วจะอาศัยมานะไปทะเลาะ ก, กันทำอะไรความสำคัญว่าดีกว่าเขาก็าดีสำคัญว่าเลวกว่าเขาก็าดีย่อมไม่มีในพระอรหันตะขีนาศพพระอรหันตะขีนาศพนั้นจะเพึงโต้ตอบวาทะด้วยความถือตัวอะไรเล่านะเพราะพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีมานะแล้วใช่ไหมเมื่อท่านไม่มีมานะแล้วท่านจะมาโต้เถียงที่ทเพราะอานาจมานะอะไรท่านไม่มีแลยย้ววางั้น อธิบายว่าบุคคลผู้เป็นพราหมณ์ความว่าผู้เป็นพราหมณเพราะลอยธรรมะเจ็ประการเนี่ยนะก็คือลอยโลพาโทสามูหามานะทิฐิกิเลสทุจริตเป็นต้นนั่นแหละบุคคลนั้นอันตันหาและทิฐิไม่อาศัยแล้วเป็นผู้คงที่เรียกว่าเป็นพรามณ์คําว่าพึงกล่าวสิ่งอะไรความว่าบุคคลผู้เป็นพรามณ์พึงกล่าวพึงบอกพูดแสดงสิ่งอะไรเล่า ว, ว่าโลกเที่ยง คือท่านจะไปสําคัญจะไปยึดถือที่เี่อะไรว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีกวกว่าอนันต์สิรีระกกว่าอนั้นตชนนกกีวอันอื่นสรีระกก่าอันอื่นสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วไม่เป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นเอกก็ไม่ใช่ไม่เป็นเอกก็ไม่ใช่เนี่ยนะพวกนี้ยพระหันท่านจะไปยึดถือทําอะไรแบบนั้นเพราะนนั้บุคคลผู้เป็นพราหมณ์พึงกล่าวสิ่งอะไรว่าจริงเล่าวานะาไง พรหันเนี่ยทื่อกําจัดราคาโทสะโมหะมาน้าทิฏฐิกําจัดกิเลสอกุศลได้หมดแล้วอ่ะจะไปเกิดทิฏฐิ62ยึดถือเพื่อทะเลาะวิวาสกับใครแบบนั้นคําว่าหรือบุคคลผู้เป็นพราหมณ์นั้นพึงโต้เถียงว่าสิ่งนั้นเท็จ ด, ด้วยความถือตัวอะไรเล่ า, านะคือพระาหันเนี่ยท่านจะไปโต้เถียงอะไรอ่ะนะความว่าพราหมณ์พึงทําความทะเลาะทําความหมายมั่นกันทําความแก่งแย่งทําความวิวาท ทำความมุ่งร้ายด้วยความถือตัวอะไรเล่าไงคือท่านจะไม่ทะเลาะกับคนอื่นด้วยอํานาจมาน้าอะไรด้วยอํานาจที่ถี่อะไรหรือด้วยบุคคลอะไรเล่าคําว่าของเราเท่านั้นจริงคําของท่านเทศท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี่เป็นต้นเนี่ยนะท่านไม่มาทะเลาะกันเรื่องอย่างนี้หรอกว่างันคำว่าความสําคัญว่าดีกว่าเขาก็ดีสําคัญว่าดีสําคัญว่าเสมอเขาก็ดีสําคัญว่าดีกว่าเขาก็ดีสําคัญว่าเลวกว่าเขาก็ดีย่อมไม่มีในพระรหันตะขีนาศ ความว่าความถือตัวสามอย่างเนี่ยนะไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้ในพระอรหันตขีนาศใดย่อมเป็นกิเลสมาณนะตัวนั้นเป็นกิเลสอันพระขีนาศนั้นละแลว้วตัดขาดสงบประงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียจแล้วด้วยไฟคือยานคําว่าพระอรหันตขีนาศนั้นจะเพึงโต้ตอบวาทะด้วยความถือตัวอะไรเล่าความว่า พระอรหันตะ์ะคีณาศพนั้นนะพึงโต้ตอบพึงโต้เถียงพึงทําความทะเลาะหมายมั่นการแก่งแย่งการวิวาทการมุ่งทาําร้ายกันด้วยความถือตัวอะไรเล่าเนี่ยนะด้วยทิฏฐิอะไรด้วยบุคคลอะไรว่าท่านไม่รู้ธรรมวินัยนี่เป็นต้นเนี่ยนะจะมาทะเลาะมาแก่งแย่งเรื่องพันนี้ทําอะไรมางั้นผลสรุปว่าบุคคลผู้เป็นพราหมณ์นั้นพึงกล่าวสิ่งอะไรว่าจริงนะคือจะไปท่านจะ เป็นพระอรหันต์อย่างนั้นแล้วท่านจะไปยึดถือไอ้ที่เถี่ยเรานั้นทําอะไรบุคคลผู้เป็นพราหมณพึงโต้เทียงอ่าโต้เทียงว่าสิ่งนั้นเท็ดด้วยความถือตัวคือด้วยอํานาจมานะอะไระนะเพราะว่ามานะทั้งสามเนี่ยนะไม่มีแก่พระอรหันตะขีนาศดใดพระอรหันต์ตขีนาศนั้นพึงโต้อตอบวาทะด้วยมานะอะไรเล่า พนะระอรหันต์ท่านกาจัดตันหากำจัดที่ถีได้หมดแล้วเนี่ยกำจัดมานะได้หมดแล้วแล้วจะเอาตันหามานะมาถกกันทาอะไรบ้างก้นบุคคลละที่อยู่แล้วไม่ท่องเที่ยวไปสู่ที่อื่นอนะขอบุคคลละที่อยู่แล้วไม่ท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่ไม่ทำความเยื่อใยในกามเปล่าจากกามทั้งหลายไม่มุ่งหมายอัตภาพต่อไป ไม่พึงทําความแก่งแย่งด้วยชนเนี่ยนะมันท่านละที่อยู่แล้วเนี่ยนะความว่าคาถาเดียวกันนี้ว่าเครหบดีชื่อว่าหาหาลินทกาณิเข้าไปหาท่านพระมหากัจจยนะถึงที่อยู่อภิวาแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจยนะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระมหากัจจยนะผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพุทธภาษิดนี้ไว้ในมาคันธยะปัญหา ในอัธกาวาควาบุคคลละที่อยู่แล้วไม่ท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่มูนีไม่ทำความเยื่อยใยในกามเปล่าจากกามทั้งหลายไม่มุ่งหมายอัตภาพต่อไปไม่พึงทำคำไม่พึงทาถ้อยคำแก่งแย่งตับด้วยชนดังนี้ข้าแต่พระมหากัจจยนะผู้เจริญเนื้อความแห่งพระพุทธภาษิต ท, ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วโดยย่อนี้จะพึงเห็นโดยพิสดารได้อย่างไรอนนะ พระมหากัจจายนก็ตอบว่ารูปประธาเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณและวิญญาณที่ผูกพันไว้ด้วยราคะในรูปประธาเรียกว่าท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่นะพวกที่ท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่ก็คือเที่ยวไปหารูปประคันน่ะนะจริงคําว่ารูปประธาเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณก็คือกรรมวิญญาณนั้นกรรมวิญญาณก็ผูกพันด้วยราคะในรูปประธาถ้าถามว่าธาตันหานี่นะเกิดในโลภะมูลจิตเพลิดเพลินในรูปเนี่ย ผูพันในรูปเนี่ยอะไรจะเกิดการเกิดในภพใหม่ก็มีอยู่แล้วเนี่ยนะเวทนาธาต์สัญญาธาต์สังขาราธาตุเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณคือเป็นอารมณ์แห่งวิญญาณและวิญญาณที่ผูกพันไว้ด้วยราคะในสังขาราธาตุท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่ดูก่อนเครือขาบดีบุคคลเป็นผู้ท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่อย่างนี้แหลผู้ที่ท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่ก็คืออะไรคือพวกที่เพลิดเพลินใน รูปในเวทนาในสัญญาในสังขารเพลดิดเพลินติดข้องอ่ะนะก็นำไปสู่ที่อยู่คือการเกิดในภพใหม่อยู่แล้วดูก่อนคือหาบดีความพอใจความกำหนัดความเพลินความปรารถนาอุบายคือตัญหาทิฏฐิและอุปาทานสี่อันเป็นเหตุยึดมั่นถือมั่นและนอนเนื่องแห่งจิตในรูปธาตุใดความพอใจเป็นต้นเหล่านั้นอะ่ะคือความพอใจความกาหนัดความเพลดิดเพลินความปรารถนา อุบายคือตัญหาทิฏฐิและอุปาทานสีอันเป็นเหตุยึดมั่นเนี่ยนะถือมั่นนอนเนื่องอยู่ในจิตอันพระตถาคตทรงละเสียแล้วมีรากตัดขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตามยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงเรียกพระตถาคตว่าไม่ท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่ น, นะ ดูก่อนครือา บ, บดีความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความปรารถนาอุบายคือตัณหามันอ่า uh, ตัณหาทิฏฐิและอุปาทานสอันเป็นเหตุยึดมั่นถือมั่นนอนเนื่องในจิตใดก็ไอกิเลสเหล่านั้นอาศัยอยู่ในเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความปรารถนาอุบายและอุปาทานอันเป็นเหตุยึดมั่นเหล่านั้นอะ อันท่าตถาคตละเสียแล้วมีรากอันขาดแล้วทําให้ไม่มีดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงเรียกว่าตถาคตไม่ท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่ดูก่อนครูหาบดีบุคคลเป็นผู้ไม่ท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่อย่างนี้แหละนะพวกที่ไปสู่ที่อยู่ก็พูดไปสู่ที่อยู่ก็คือไปสู่การเกิดในภพใหม่นะพวกที่ไปสู่การเกิดในภพใหม่ก็คือผู้ที่เพลิดเพลินใน รูปเวทนาสัญญาสังขารก็คือในขันห้าพันพวกที่เพลิดเพลินในขันห้าพวกนี้ก็สู่การเกิดในภพใหม่อยู่แล้วปุตุชนทั้งหมดเรียกว่าสัมภเวสีนี่ยนะเพราะมันจะต้องเกิดอี ก, ก น, นะเรานี่แหละสัมภเวสีหาภพเกิดอยู่เรื่อยแต่ว่าหาจะได้ตรงไหนนะก็ดูจากกรรมแต่ละวันเนี่ยว่ามันควรจะได้ที่ไหนอนะ นั้นสรุปว่าผู้ที่เพลิดเพลินในขันห้าติดใจในขันห้าต้องการขันห้าปรารถนาขันห้ามันจะพ้นขันห้าไหมไม่พ้นเนี่ยนะอุปมาเหมือนกับว่าโหยรักเมียมากผูกพันมากติดข้องมากถามว่าจะฟ้องหย่าไหมไม่เอาหรอกนี่ก็เหมือนกันนะะถ้าคล่องเอ่อเพลินในขันห้ามั่งติดข้องในขันห้ารากในขันห้าผูกพันในขันห้าแล้วจะตัดปฏิสนธิในพบใหม่ของขันห้าได้ไหมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น ส่วนพระอารหันต์ก็ท่านกำจัดความรักความเยื่อใยความอลาลัยใยดีในขันห้าได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นขันห้าของท่านจึงไม่มีการเกิดในพบใหม่เมื่อขันห้าไม่มีในพบใหม่เรียกว่าผู้ไม่ท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่นะตรงกันข้ามของเรานะจะดูได้ไปอยู่ตรงไหนนะอยู่ในท้องใครนาเนี่ยนะอยู่ในท่อส้วมตรงไหนเนาะนะเกิดในเท่าใครนะหรือว่าไปเกิดโอปปาติกะพโพรทีนรกเนี้ยยุ่งเลยนะ โผลท่ทีก็โปล่ที่เปรตหรือโปร่ที่เทวดาก็ยังชั่วหน่อยนะแต่นรกกับเปรตไม่ไหวอบายสีไม่ดีนะก็ะเกิดในครันนะ่ะเอา้าอย่างลงสู่คันแม่เป็นเอหรือเปล่านาะเนี่ยนะแม่เป็นนักเลงการพนันแม่ขี้เหล้าหรือเปล่าเนาะแม่ขี้ยาหรือเปล่านะ้อถ้าแม่ขี้ยาแล้วก็เกิดมาพิการแน่เลยนะพิการนั่นก็อยู่ในท้องอยู่แล้วคลอดจะเป็นยังไงนาะแม่จะส่งไปส่งโรงเรียนไหนเนาะเรียนโรงเรียนพุทธโรงเรียนคริสต์หรือโรงเรียนอิสลามนาะเนี่ยนะ โตมาได้ประกอบอาชีพอะไรเนาะเนี่ยนะทําฟาร์มดีหรือเปล่าเนี่ยนะหรือเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือว่าไปประกอบอาชีพอะไรทาํานาค้าขายไปอยู่ที่ไหนนาะหรือว่าจะไปเป็นนักประมงไงเนะี่หรือเกิดมาเป็นนักสรนลัทธิต่างๆเนี่ยยุ่งเหมือนกันนะของพวกที่ติดข้องในขันห้าก็ต้องมีขันห้าเมื่อมีขันห้าก็นี่แหละจะต้องทํากรรมในขันห้าก็เที่ยวเที่ยวไปเนี่ยนะจากท้องอีกคนหนึ่งไปสู่ท้องอีกคนหนึ่ง จากคันอีกคนหนึ่งไปสู่คันอีกคนหนึ่งจากไข่อีกฟองหนึ่งไปสู่ไข่อีกฟองหนึ่งงมจากเรียกว่าจากสิ่งสกรปรกอย่างหนึ่งก็ไปเกิดในที่สกรปรกอีกอย่างหนึ่งจากปฏิสนธิพบหนึ่งก็ไปสู่อีกพบหนึ่งะนะสำหรับผู้ที่ตัดเยื่อใยในขันห้าไม่ได้ก็ต้องดูแลขันห้าไปอย่างนั้นแหละดูก่อนคริสหบดีก็บุคคลเป็นผู้ท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่อย่างไรเนี่ยนะผู้ที่ไปอยู่ที่อยู่นะ พวกที่มีที่อยู่ก็คือดูก่อนครืหาพดีพวกท่องเที่ยวไปและผูกพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะและธรรมะเรียกว่าความท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่เนี่ยนะก็คือแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะนะเพลินชมไปในรูปเสียงกลิ่นรสดูก่อนเครือหาพดีก็บุคคลผู้ไม่ท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่อย่างไรดูก่อนเครหาดีความท่องเที่ยวไปในเอ่อความท่องเที่ยวไปและความผูกพันในที่อยู่คือรูป เสียงกลิ่นรถโพธพระธรรมรมเนี่ยนะอันพระตถ า, าคตละเสียแล้วมีราอันขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งเหมือนตานยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดานี้เรียกว่าพระตถ า, าคตไม่ท่องเที่ยวไปสู่ที่อยู่ของเราเนี่ยนะพ้นจากรูปไปหาเสียงพ้นจากเสียงไปหารูปนะติดในเสียงแล้วก็พันไปหาสีต่อไปนะเรียกว่าคิดถึงเสียงก็ติด ด้วยตันหาอีกนั่นแหละคิดถึงสีก็คิดด้วยตันหาพันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโพธาพะไปอย่างนี้เรื่อยเนี่ยก็เรียกว่าผู้มีที่อยู่นะสํานวนทั่วไปก็เรียกว่าผู้มีที่ทํากินนะสํานวนนะมีที่ทํามาหากินนะนะทํามาหากินทางวิญญาณนะนะวิญญาณมีเรียกว่ามีที่พเพาะปลูกแล้วเพาะไปในรูปบั้งในเสียงบั้งในกลิ่นบั้งในรสบ้างแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดตันหาตัดฉันราคาในรูปเสียงกลิ่นรสโพธาพะได้แล้ว ดูก่อนเครืบบอขาบดีก็บุคคลเป็นผู้เกิดความเยื่อใยในกามอย่างไรงนีะผู้ผู้ที่เกิดความเยื่อใยในก า, อางอ่ะนะก็คือดูก่อนเครหาย บ, บดีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่าทั้งหลายเนี่ยนะเกี่ยวข้องพันแน่นเลยะเขาเพลินก็เพลินร่วมกันเนี่นยนะเนะเขามีอะไรดีเขาได้ลูกก็ดีใจไปกับเขาที่เขาได้ลูกอ่ะนะเขาประกอบธรรมมาหากินเจริญก็ดีใจไปกับ<ก>เขาอ่ะเพลิดเพลินไปกับเขาเลยถ้าเขาโศกก็โศกร่วมกับเขาด้วยนะ เขาเสียใจก็เสียใจไปกับเขาด้วยเขาร้องให้ก็ร้องให้ไปกับเขาด้วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อครหัด ถ, ถึงความสุขก็สุขด้วยถึงความทุกข์ก็ทุกข์ด้วยดีไหมอย่างเนี้ยได้อุปถักต์ได้พระที่อุปถักอย่างนี้เอาไหมนะพอใจหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็เป็นค า, วารวะพอกันนั่นแหละจะไปต่างอะไรกัน